ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งมันอย่าเป็นการสั่งลาญาติธรรมนะย้ำไในที่ได้พบปากพูดคุยสนทนากับญาติธรรมไม่ว่าจะเป็นคำถามคำถามญาติธรรมถามขึ้นมาเนี่ยคำถามของญาติธรรมทุกค น, นที่ถามมามันเหมือนอย่างเป็น การท้าทายความสามารถของเราเราก็ยินดีจะตอบทุกคำถามโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับคำถามหรือคำสนทนาของญาติธรรมเลยมันมีความรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเราได้ทำประโยชน์ได้แบ่งปันอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับญาติธรรมเหมือนเป็นการทำบุญ ก็ทำให้เราเกิดกำลังใจเกิดความสุขทุกครั้งที่เวลามียตธิธรรมมาหาแต่เนื่องจากว่าชีวิตของผมนี่มันเป็นช่วงระยะสุดท้ายแล้วจะว่าเป็นเป็นการสั่งลาก็ว่าได้ชีวิตสุดท้ายผมก็ตั้งไว้ว่าจะอยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นละวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น ันใดก็ตามเราอาจจะต้องจากกันการจากกันไปแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความระลึกถึงกันคลาใดาความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเราคราวนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายกับเจที่ทําถ้าบางทีเราสั่งรางร้านไม่ทัน